วันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติไว้เพื่อให้ชาวพุทธเราได้มาสร้างความสุขสร้างความเจริญให้แก่จิตใจด้วยการกระทาที่เป็นมงคลต่างๆเช่นการบูชาบุคคล ที่สมควรต่อการบูชาเป็นมงคลอย่างยิ่งบูชาจะ บ, บูชาในนามเอตัมมังกะะมุตตมังบุคคลที่สมควรสมควรต่อการบูชาก็คือบุคคลที่มีพระคุณนั่นเองผู้ใดที่มีพระคุณกับเราผู้นั้นเป็นบุคคลที่ เราควรจะกราบไหว้บูชายกย่องสรรเสริญอุปธรรมอุปถาตามกำลังบุคคลที่มีพระคุณต่อเราก็คือบิดามารดาปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์บุคคลเหล่านี้ มีแต่ทำคุณทำประโยชน์ให้กับพวกเราทำให้พวกเรานี้อยู่กันมาได้อย่างล่มเย็นเป็นสุขจนถึงปัจจุบันนี้เราจึงไม่ควรที่จะลืมพระคุณของบุคคลเหล่านี้โดยเฉพาะในเวลาที่บุคคลเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือจากเรา เราก็ควรที่จะให้การช่วยเหลืออย่างเต็มที่เท่าที่เราจะทำได้เช่นบิดามารดาปุยาตายายนี่ร่างกายของท่านก็จะต้องเข้าสู่วัยชราความสามารถที่จะดูแลตัวตัวท่านเองก็จะลดน้อยถอยลงไปทำเป็นที่จะต้องมีผู้ที่ มีกำลังวังชามีความสามารถที่จะช่วยดูแลประครับประคองชีวิตของท่านให้ท่านอยู่ต่อไปอย่างสุขอย่างสบายไปจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตนี่ก็คือบุคคลที่มีพระคุณกับเราผู้ที่ให้กำเนิดเรา ผู้ที่เลี้ยงดูเราสนับสนุนเราในตอนที่เรายังเป็นเด็กเป็นตอนที่เรายังไม่สามารถที่จะดูแลตัวเราเองได้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลจากบิดามารดาปูยา่ย่าตายายชีวิตของเราก็อาจจะมาไม่ถึงจุดนี้ก็ได้อ น, นี่คือเรื่อง พระคุณของบิดามารดาปุย่าตายายส่วนบุคคลที่มีพระคุณกับเราที่สำคัญยิ่งกว่าบิดามารดาปุย่าตายายก็คือพระรัตนตรยัยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ผู้ที่ให้แสงสว่างแห่งธรรมเพื่อให้เราได้ดำเนินชีวิต จิตใจของพวกเราให้ไปสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีผู้ใดในโลกนี้สามารถที่จะให้แสงสว่างแห่งธรรมแก่ชีวิตได้นอกจากพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ดังนั้น เราควรที่จะสำนึกในพระคุณอันยิ่งใหญ่ของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และพยายามที่จะตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่นี้ด้วยการบูชาซึ่งการบูชา พระรตนนาตายนี้พระพุทธเจ้าก็ส่งสอนไว้ว่ามีอยู่สองระดับด้วยกันระดับที่หนึ่งเรียกว่าอามิสบูชาคือการบูชาด้วยเครื่องสักการะและสิ่งของต่างๆเช่นดอกไม้ทูบเทียน สิ่งของที่จำเป็นต่อการดํารงชีพของพระสงฆ์องค์เจ้าคือปัจจัยสี่อาหารบิณฑบาตจีวรเครื่องนุห่ห่มกุฏิที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคนอกจากนั้นก็ยังมีการบูชาด้วยการ สร้างถาวรวัตถุต่างๆในพระพุทธศาสนาเช่นสร้างโบสถ์สร้างเจดีย์สร้างพระพุทธรูป ท, ที่จะเป็นสถานที่ให้พุทธศาสนิกชนได้มาใช้ประโยชน์ดูจะได้มาศึกษา และได้ปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เรียกว่าอาวิสบูชาคือบูชาด้วยเครื่องสักการะสิ่งของต่างๆอันนี้เป็นบูชาขั้นแรก ขั้นที่สองเป็นขั้นที่ยากขึ้นแต่ให้คุณประโยชน์ได้มากขึ้น่อการบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาบูชาด้วยการปฏิบัติบูชาเรียกว่าปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าคือปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิและปฏิบัติปัญญานั่นเอง อันนี้สงจากการปฏิบัติบูชานี้จ ะ, จะทำให้จิตใจได้หลุดพ้นออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ส่วนนามิสบูชานั้นเพียงแต่ช่วยยกระดับจิตใจให้สูงกว่าจากความเป็นมนุษย์ให้ขึ้นไปสู่การเป็นเทวดาถ้าทรนามิสบูชาอันนี้สงก็คือ จิตใจจะสูงขึ้นจะเป็นเทวดาตายไปก็จะไปสวรรค์แต่ยังไม่หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ยังต้องกลับมาเกิดใหม่กลมาเกิดใหม่แล้วก็เกิดมาทำอะไรต่างๆใหม่จะยังไม่หลุดพ้น จากการเงินว่ายตายเกิดได้ยังไม่หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้แต่ก็ดีกว่าการที่ไม่ได้มีการกระทําอามิสบูชาเพราะถ้าไม่ได้ทําอามิสบูชาจิตใจก็จะอยู่ในระดับของมนุษย์จะไม่ได้ไปเป็นเทวดาตายไปก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ ถ้าไม่ได้ทำบาปถ้าไปทำบาป ก, ก็ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานก่อนไปเป็นเปรตเป็นนสุลกายเป็นสั์นโลกก่อนก่อนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ <c oughs> แต่ถ้ามีการกระทำอมิสบูชาก็คือการทำบุญทำทานด้วยวิธีการต่างๆ ตายไปก็จะได้ไปสวรรค์จากสวรรค์ลงมาก็จะได้ไปเป็นมนุษย์ใหม่ถ้ามีการรักษาศีลด้วยถ้าไม่มีการกระทำบาป<ม>นอกจากการกระทำบุญกระทำอาิสบูชาก็จำเป็นที่จะต้องมีการรักษาศีลห้าด้วย คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเพณีไม่พูดปดไม่ดื่มสุรายาเมาก็เป็นส่วนประกอบของผู้ที่จะกระทำอมิสบูชาผู้ที่จะทำอมิสบูชานี้ควรจะเป็นผู้ที่มีศีลมีธรรมอยู่ในใจเมื่อทกระทำอมิสบูชาคือ ทำ ท, า, ทาบุญทำทานในรูปแบบต่างๆก็จะได้บุญแล้วก็จะระงับการกระทาบาป<ม>ถ้าทำทั้งสองส่วนนี้คือรักษาศีลด้วยแล้วทำบุญทำทานด้วยรับประกันได้ว่าเวลาตายไปนี้จะไม่ไปเกิดในอบาย<ม>จะได้ไปเกิดเป็น เทพกันแล้วหลังจากนั้นหลังจากที่บุญที่ส่งให้ไปเป็นเทพหมดกำลังลงก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่แล้วเมื่อกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่ก็จะกลับมาทำบุญใหม่มารักษาศีลใหม่อย่างน้อยก็จะได้เวียนว่ายตายเกิดในสุขคติไม่ต้องไปเวียนว่ายตายเกิดในทุกขคติ ถ้าไม่มีการกระทําอามิสบูชาไม่มีการทำบุญทาทานไม่มีการรักษาศีลตายไปก็จะไปเกิดในอบายล้วหลังจากที่บาปที่ส่งให้ไปเกิดในอบายนั้นหมดกำลังลงก็จะได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็จะกลับมาทำบาปใหม่ จะไม่ชอบทำบุญจะทำแต่บาปตายไปก็จะกลับไปเกิดในบายใหม่ก็จะเวียนว่ายตายเกิดในทุกขติสำหรับผู้ที่ไม่ไม่ได้เชื่อในคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า<ม>ก็จะไม่มีการกระทาการบูชาต่างๆเพราะจะ ถูกอำนาจของความหลงให้ทุ่มเทเวลากับการหาเงินหาทองเมื่อได้เงินได้ทองมาก็จะเอาไปใช้ในการตอบสนองตอบสนองความอยากของกิเลสตัณหาต่างๆไปกินไปเที่ยวไปดูไปฟังไปดื่ม หาความสุขจากรูเสียงกลิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆไปเรื่องการทำบุญทำทานนี้ไม่ได้เป็นเรื่องที่อยู่ในความคิ ด, ดเพราะมีแต่ขาดทุนเพราะต้องเสียเงินเสียทองอแล้วก็จะไม่รู้ว่าตายไปนั้นยังมีการไปต่อของของจิตใจที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย ผู้ที่ไม่ได้มีโอกาสได้ศึกษาคําสั่งคําสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่รู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้ว่านอกจากร่างกายแล้วยังมีจิตใจอีกส่วนหนึ่งที่ไม่ได้ตายไปกับร่างกายจิตใจเป็นผู้ที่ทำบุญนะทธธรรมบาป โดยอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือผู้ที่กระทำบุญกระทำบาปที่แท้จริงนี้ก็คือจิตใจจิตใจเป็นผู้สั่งให้ร่างกายไปทำบุญหรือสั่งให้ไปทำบาปแล้วผลบุญผลบาปก็เกิดขึ้นที่จิตใจไม่ได้เกิดขึ้นที่ร่างกายร่างกายนี้ไม่มีการรับรู้ไม่มีความรับรู้อะไรทั้งสิ้น เวลาทำบุญเวลาเกิดความสุขใจผู้ที่รับรู้ความสุขใจนี้ก็คือใจไม่ใช่ร่างกาย<ม>เวลาทำบาปแล้วเกิดความทุกข์ใจ<ม>ผู้ที่ทุกข์ใจก็คือใจไม่ใช่ร่างกาย<ม>ร่างกายนี้ไม่ได้มีไม่ได้เป็นผู้กระทำโดยตรงและไม่ได้เป็นผู้รับผลของบุญของบาปโดยตรง สำหรับผู้ที่ไม่ได้ศึกษาไม่มีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็จะไม่ได้เรียนรู้เรื่องราวเหล่านี้ก็จะไม่เห็นคุณค่าของการทำความดีต่างๆของการอามิสบูชาหรือของการปฏิบัติบูบชา<ม>เพราะเห็นว่าเป็นการเสียเวลาไม่ได้รับประโยชน์อะไร ทำบุญทำทานเสียเงินเสียทองไปได้อะไรกลับมาไม่ได้อะไรสู้ไปเที่ยวดีกว่าไปเที่ยวไปกินไ ป, ไปดื่มไปดูไปฟังไปซื้อของหรูหราซื้อของฟุ่งเฟือยต่างๆมาเสพเวลาได้ของเหล่า น, นี้แล้วรู้สึกมีความสุขแต่หารู้ไหมว่ามันเป็นความสุขแบบยาเสพติดเมื่อเสพยาเสพติดแล้วมันจะติด เวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์เวลาไปเสพ ร, รูปเสียงกดลดิ่นรสผดทพะชนิดต่างๆก็เช่นเดียวกันเวลาได้เสพก็จะมีความสุขแต่เวลาที่ไม่ได้เสพเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เวลาตายไปความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกดลดิ่นรสผดทพะนี้ ก็ไม่มีติดไปกับใจมันหายไปตั้งแต่ตอนที่เสพแล้วความสุขที่ได้จากการเสพ ร, รูปเสียงกลิน่นรสนี้เป็นความสุขเดี๋ยวเดียวสุขชั่วขณะที่ได้เสพพอพอเสพเสร็จแล้วก็มันก็หมดไปมันไม่มีตกค้างสะสมไว้ในใจไม่เหมือนกับความสุขที่ได้จากการทําบุญทําทาน คือการกระทาอ ม, มิสบูชาและความสุขที่ได้จากการปฏิบัติบูชาถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาจะไม่มีความรู้อันนี้ไม่มีแสงสว่างแห่งธรรมก็จะทำให้ลุ่มหลงไปกับการหาความสุขแบบชั่วคราวหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐา หาความสุขจากราบยศสรรเสริญซึ่งเป็นความสุขที่จะไม่ไม่มีการสะสมไว้ในจิตใจเวลาตายไปจิตใจนี้จะไม่มีความสุขสะสมติดตัวไปได้เลยก็จะไปแบบคนติดยาเสพติดที่ไม่ได้เสพยานั่นเนพะื่อไปแบบทุลนทุลายไปแบบหงุดหงิด ไแบบไม่มีความสุขไม่เหมือนกับคนที่เสพคนที่ทำบุญทำทานคนที่ปฏิบัติบูชาหรืออภิสบูชานี้จะมีความสุขสะสมไว้ในใจเ<ม>วลาร่างกายตายไปบุญความสุขที่ได้สะสมไว้นี้ก็จะเป็นผู้ที่จะสนับสนุน ให้ความสุขกับใจในช่วงที่ไม่มีร่างกายและถ้าได้ไปถึงจุดสูงสุดคือขั้นพระนิพพานก็จะไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปถ้ายังไปไม่ถึงพระนิพพานก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ที่มีวาสนามีบารมีแล้วก็จะอยู่อย่าง สุขอย่างสบายแล้วก็จะมาทำการบูชาต่อทำการนา้อมสบูชาหรือทำการปฏิบัติบูชา ต, ต่อจนกว่าที่จะไปถึงพระนิพพานคือก็ได้หลุดออกจากการเวียนว่ายตายเกิดการบูชานี้ขั้นที่หนึ่งนี่เป็นการกระทำที่ง่าย ที่ไม่ยากเย็ยนเหมือนกับขั้นที่สองแต่ผลประโยชน์ที่ได้จากขั้นที่หนึ่งก็สู้ผลประโยชน์จากการได้ของขั้นที่สองไม่ได้คือขั้นปฏิบัติบูบบชาขั้นปฏบิบัติบูชานี้จะยกจิตใจให้ขึ้นสู่พระนิพพานให้หลุดออกจากตาพภพหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่าตายเกิดก็ะอามิสบูชานี้ ยกจิตให้ขึ้นจากมนุษย์ให้ขึ้นไปเป็นเทพเท่านั้นแต่ยังติดอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอยู่ต่อไปดังนั้นถ้าเราในเบื้องต้นเราทำเราทาอามิสบูชาได้เพียงอย่างเดียวก็ทำไปก่อนดีกว่าไม่ทำเลย ทำมิสบูชาก็ทำบุญทำทานนี่เองซื้อสิ่งของต่างๆเช่นเวลาเราไปกราบพระเราก็มีดอกไม้ทูบเทียนหรือมีเครื่องสักการะอะไรต่างๆสุดแท้แต่ที่เราอยากจะบูชาเราก็เอามาบูชาต่อพระพุทธรูปสำหรับพระพุทธรูปนี้ไม่ต้องบูชาด้วยอาหารเครื่องดืง่ม พระพุทธรูปนี้ท่านกินอาหารไม่ได้ดื่มเครื่องดื่มไม่ได้ไม่ต้องจัดสำรับอาหารมาตั้งไว้ที่หน้าพระพุทธรูปไม่เกิดประโยชน์อะไรบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนหรือบูชาด้วยการสนับสนุนพระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ ถ้าเป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็สนับสนุนท่านด้วยปัจจัยสี่อาหารบิณฑบาตกีวรเครื่องนุ่งห่มกุติที่อยู่อาศัยและเพศัชยารักษาโรคแล้วก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา ดยการสร้างถาวรวัตถุต่างๆสร้างวัดสร้างวาไว้ให้เป็นที่ศึกษาและที่ปฏิบัติของชาวพุทธทั้งที่เป็นนักบวชและเป็นคารวะผู้ครองเรือนเพราะการศึกษานี้เป็นสิ่งที่จะสอนให้รู้ว่าวิธีการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง ที่จะนำไปสู่แต่ความสุขความเจริญที่จะกำจัดบำบัดความทุกข์ต่างๆทางจิตใจนี้ต้องอาศัยการศึกษาเพราะทำคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าไม่ได้ศึกษาก็จะไม่ก็จะไม่รู้วิธีการสร้างความสุขและบำบัดความทุกข์ทางใจ พระพุทธศาสนานี่ก็เป็นโรงเรียนทางด้านจิตใจเหมือนกับโรงเรียนทางโลกทางโลกก็มีการไปเรียนวิชาความรู้ต่างๆเพื่อที่จะได้เอาวิชาความรู้นั้นมาเป็นเครื่องมือท ร, ร ม, มาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องวิชาชีพต่างๆเรียนวิชาแพทย์วิชาพยาบาล ว, าวิชาธุรกิจ วิชาวิชากฎหมายความรู้เหล่านี้สามารถนํามามาใช้ในการท ร, รมาหากินเรียงชีพได้แต่ไม่สามารถนํามามากำจัดความทุกข์สร้างความสุขทางจิตใจได้การจะสร้างความสุขทางจิตใจและกำจัดความทุกข์ทางจิตใจนี้จาเป็นที่จะต้องศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้า จึงจำเป็นจะต้องมีที่ไปศึกษาที่ศึกษาก็คือวัดวารามต่างๆนี่วัดวารามนี้เป็นที่ให้ความรู้ทางธรรมแล้วก็เป็นสถานที่ฝึกหัดไปด้วยทางธรรมนี้นอกจากเรียนแล้วยังต้องปฏิบัติฝึกฝนอบรมไปด้วย <S S S เรียนอย่างเดียวนี้ยังไม่พอที่จะสร้างความสุขและกำจัดความทุกข์ ของใจให้หมดไปได้เรียนแล้วก็ต้องมีการปฏิบัติมีการขัดเกลีวจิตใจให้เป็นจิตใจที่สะอาดเป็นจิตใจที่่มเย็นเป็นสุขต้องมีการปฏิบัติและก่อนที่จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้องก็ต้องมีการศึกษาวิธีขัดเกลีวิธีปฏิบัติ วิธีสร้างความสุขวิธีดับความทุกข์ของจิตใจว่าจะต้องทำอย่างไรนั่นเอง mm hmm. ถ้าได้ศึกษาก็จะได้เรียนรู้ถึงวิธีการสร้างความสุขสร้างความเจริญให้กับจิตใจโดยสองวิธีโดยสองระดับเนี่ยคือระดับที่เรียกว่าการบูชานี้เองบูชาด้วยอมิสบูชา ระดับที่หนึ่งยกระดับจิตใจสร้างความสุขให้กับใจเพิ่มขึ้นจากการเป็นมนุษย์ให้กายเป็นเทพไปให้มีความสุขของเทพแล<ม>นะให้จิตใจสูงกว่าให้จิตใจเป็นเทพขึ้นมาแล้ว<ม>นะถ้าอยากจะไปสูงกว่านั้นอยากจะไปสู่สวรรค์ชั้นนิพพาน<ม>อยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหมสวรรค์พันธ์ พระอริยะบุคคล<ม>ก็ต้องทําการปฏิบัติบูบชา<ม>การปฏิบัติบูชานี้จะยกระดับให้เหนือจากระดับของเทพขึ้นไปสู่ระดับพรหมและระดับพระอริยบุคคลระดับพระอรหันต์ระดับพาา ร, ร, ระ พ, พุทธเจ้า<ม>แต่เบื้องต้นก็ต้องทําระดับต้นก่อนคือทํามมิสบูชาก่อนทําบุญทำทานตามกําลัง เมื่อมีกําลังมากขึ้นก็สามารถเพิ่มการปฏิบัติสู่การปฏิบัติลําดับที่สองคือการบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาการบูชานี้ด้วยการปฏิบัติบูชานี้พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าเป็นบูชาที่ที่พระพุทธเจ้าทรงยกย่องทรงสรรเสริญ ว่าเป็นการบูชาที่เลิศที่สุดอามิสบูชาก็เป็นเป็นความบูชาที่ดีน่ายกยอ่องแต่ไม่เลิศประเสริฐเท่ากับการปฏิบัติบูชาพรองทรงตัดว่าผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมก็คือปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ผูนั้นแหะคือเป็นผู้บูชาเราตถาคตพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนี่แหละเป็นผู้ที่บูชาพระพุทธเจ้าส่วนการมิสบูชานี้ก็เป็นการบูชาเหมือนกันแต่ไม่ดีเท่ากับการบูชาด้วยการปฏิบัติบูบชาเพราะว่าจะตราบสนองเจ ต, ตนาลมของของ ของการที่พระพุทธเจ้าได้นำเอาพระธรรมคำสั่งคำสอนอันประเสริฐที่พระองค์ได้ทรงตัดสั่งนี้มาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกเจตนาลมของพระพุทธเจ้าในการเผยแผ่ธรรมนี้ก็เพื่อที่จะให้สัตว์โลกได้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนั่นเองและการที่จะหลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้ ก็จำเป็นจะต้องมีการปฏิบัติบูบชาถ้าทำแต่อามิสสบูชารักษาศีลห้าทำบุญทำทานอย่างนี้ยังไม่พอเพียงยังไม่ทำให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้แต่ก็เป็นเป็นพื้นฐานลองลองรับการปฏิบัติบูบชาถ้ายังทำอามิสสบูชาไม่ได้นี้ อย่าไปคิดเรื่องของการปฏิบัติบูชาเลยของง่ายๆแค่บอยจากทรัพย์แค่มีความอ่อนน้อมถ่อมตน mm. มีความสำนึกในพระคุณของผู้มีพระคุณถ้ายังทำไม่ได้นี่ mm. จะไปทำการปฏิบัติบูชานี้ mm. ก็จะเป็นไปไม่ได้ mm. ในเมื่อขั้น ขั้นง่ายยังทําไม่ได้แล้วขั้นยากจะไปทําได้อย่างไรดั mm hmm. งนั้นก่อนที่จะไปสู่ขั้นปฏิบัติบูบชาก็ mm hmm. าจําเป็นที่จะต้องมีการกระทําการอามิสบูชาก่อน mm hmm. ต้องมีการฝึกรักษาศีลห้าไปก่อน mm hmm. เริ่มต้นด้วยศีลห้า mm hmm. แล้วก็ทําบุญทำทานตามกําลังของเรา mm hmm. ต้องเป็นทรัพย์ของเราเอง mm hmm. องเป็นข้าวของของเราเองเราต้องบริจาคทรัพย์บริจาคข้าวของตามกำลังของเรามีมากมีน้อยไม่สำคัญทำไปตามที่เราพอที่จะทำได้ mm hmm. คือเอาส่วนที่เรามีเกินไม่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ mm hmm. เก็บไว้เฉยๆก็ไม่มีประโยชน์อะไร ตายไปก็เอาไปไม่ได้ก็เอาเงินส่วนนี้มาทำบุญทำทานมาทำอมิสซบูชาจะทำอะไรก็ได้ใส่บาตรก็ได้ถวายสังฆทานก็ได้ถวายผ้า ป, ป่าก็ได้ช่วงเข้าพรรษานี้ก็มีการถวายผ้าอาบน้าฝนถวายเทียนพรรษ า, าแล้วแต่ที่จะศรัทธา หรือจะร่วมร่วมสร้างกุฏิร่วมสร้างวัดกันสมัยนี้ก็มีการสร้างวัดกันเพิ่มเพราะมีคนสนใจที่จะศึกษาที่จะปฏิบัติธรรมมากขึ้นก็จาเป็นที่จะต้องมีมีที่ศึกษามีที่ปฏิบัติและที่ศึกษาที่ปฏิบัติที่เหมาะสมก็คือควรจะเป็นที่สงบไม่ควรอยู่ในบ้านในเมือง ที่มีเสียงอกุกตุภคมต่างๆเพราะจะเป็นการรอบวนการศึกษาการปฏิบัติได้<ม>ก็จะมีการไปซื้อที่ในที่กันดานที่ห่างไกล<ม>แล้วเพื่อที่จะได้สร้างวัดป่าวัดปฏิบัติกัน<ม>ได้ศึกษาไปศึกษาอยู่กับพระอาจารย์<ม>เจ้าสำนัก แล้วก็ปฏิบัติอยู่ในสำนักนั้นก็การสร้างวัดแบบนี้ก็เป็นคุณปะะเป็นประโยชน์เพราะว่าการปฏิบัติโดยจริงแล้วนี้ไม่ต้องมีอวิหะไม่ต้องมีถาวรและวัตถุมากเกินเกินไปเจดีนี่ก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องมีก็ได้โบสถ์ไม่จาก็ไม่ต้องมีก็ได้ เพงแต่มีศาลาไว้สําหรับทํากิจกิจกรรมเช่นการประชุมกันเพื่อมาร่วมรับประทานอาหารกันมาทำบุญถวายอาหารให้กับพระสงฆ์องค์เจ้าหรือเป็นที่มาอบรมฟังเทศฟังธรรมกันเท่านี้ก็พอแล้วสําหรับฐานวัตถุของวัดที่เน้นการศึกษาและการปฏิบัติไม่ได้เน้นในด้านพิธีกรรมต่างๆ ไม่ได้เน้นการจัดงานต่างๆก็ให้มีที่หลบแดดหลบฝนพอที่จะทำกิจกรรมที่สำคัญได้ก็พอ mm hmm. ในที่ฟังเทศฟังธรรมในที่ปฏิบัติธรรม mm hmm. แล้วก็มีที่พักอาศัยที่แยกกันอยู่เป็นเป็นหลังๆไปไม่อยู่ร่วมกันไม่สำหรับการปฏิบัติธรรมนี้จาเป็นที่จะต้อง ปฏิบัติกันแบบวิเวกอยู่ในสารที่วิเวกอยู่ในสารที่ที่ไม่มีการคลุกคลีกันเพราะว่าการที่จะปฏิบัติเพื่อทาใจให้สงบนี้ยําเป็นจะต้องระ ง, งับความคิดปรุงแต่งถ้าอยู่ด้วยกันคลุกคลีกันก็มักจะต้องใช้ความคิดเพื่อพูดคุยกันมันก็จะทําให้เป็นอุปสรรคต่อการทาใจให้สงบได้ อันนี้ก็หมายถึงการกระทําอาบิสบูชาด้วยการบริจาคเงินทองช่วยการสร้างวัดป่าวัดปฏิบัติกันขึ้นมาเพราะวัดส่วนใหญ่วัดที่อยู่ในบ้านในเมืองกลายเป็นวัดที่ทําพิธีกรรมไปเยอะส่วนใหญ่เป็นวัดที่เน้นในการอาบิสบูชาทําบุญทําทานทําบุญบังสังสวนต่างๆทําบุญบังสกุล สังก็สังฆทานสวนก็สวดอภิธรรมสวดศพสวนอะไรต่างๆวัดที่อยู่ในบ้านในเมืองนี้จะไม่ค่อยเอื้อต่อการศึกษาต่อการปฏิบัติบูบชาจะเอื้อต่ออามิสบูชาเท่านั้นสำหรับผู้ที่มีความปรารถนาอยากจะปฏิบัติบูชาก็ามักจะต้องไปหาวัดที่อยู่นอกบ้านนอกเมืองอยู่ที่ไกลจาก คามวุ่นวายของบ้านเมืองวัดที่อยู่ในชนบทวัดที่มีความนุ่มเย็นมีความสงบถึงจะสามารถที่จะศึกษาและปฏิบัติธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพดังนั้นถ้ามีใครเขาชวนไปร่วมทาบุญสร้างวัดกันสร้างวัดป่าวัดปฏิบัติก็น่าที่จะอนุมโมทนาหน้าร่วมบุญด้วย แต่ถ้าไปสร้างวัดที่เป็นวัดที่มีแต่ถาวรลวัตถุสร้างโบสถ์ใหญ่ๆสร้างเจดีย์ใหญ่ๆสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ๆถาวรและวัตถุเหล่านี้เป็นส่วนของอาบิสบูชาไม่ได้มาเอื้อต่อการปฏบิบัติบูชาสิ่งที่จะเอื้อต่อการปฏิบัติบูบชาก็สถานที่ที่สงบสงัดวิเวก ทางกายจากแสงสีเสียงจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพภพชนิดต่างๆก็คือวัดป่าวัดเขาต่างๆนั่นเองที่ไม่ได้เน้นการก่อสร้างทางด้านถาวรวัตถุไม่เน้นการสร้างโบสถ์สร้างเจดีสร้างศาลาอะไรต่างๆมากเกินความจำเป็นแล้วก็ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำให้ใหญ่โตมากเกินไปเพราะต้องการความวิเวก ถ้ามีมากกุฏิที่พักอาศัยก็อาจจะต้องอยู่ใกล้กันติดกันมันก็จะไม่มไม่วิเวกวัดป่านี้มักจะสร้างกุฏิให้ห่างไกลกันจนไม่สามารถได้ยินเสียงของของผู้ที่พักอยู่อีกกุฏิหนึ่งเพราะว่าจะได้มีความรู้สึกว่าอยู่ตามลำพังแล้วจะไม่มีอะไรมากระตุ้นให้ใจต้องไปคิด ถ้าได้ยินเสียงได้เห็นพฤติกรรมของผู้อื่นบางทีใจที่ยังมีความอยากที่จะร่วมพฤติกรรมก็มักจะอดไม่ได้ก็แทนที่จะไปภาวนาเพื่อทำใจให้สงบก็อาจจะไปสนทนากันไปคุกคีกันไปทำกิจกรรมร่วมกัน มันก็จะทำให้สวนทางกับการการปฏิบัติการปฏิบัตินี้ต้องการที่ทำให้ใจนิ่งให้ใจสงบให้ใจหยุดคิดหยุดปรุงแต่งหยุดมีการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลต่างๆเพราะถ้ายังมีการสัมพันธ์กันอยู่มีการคุกคีกันอยู่ก็จะต้องมีการคิดปรุงแต่งอยู่ แล้วเมื่อมีการคิดปรุงแต่งอยู่ก็จะไม่มีวันที่จะทำใจให้สงบได้ไม่มีวันที่จะได้สัมผัสผลที่เกิดจากการปฏิบัติคือความสงบของใจที่เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขทั้งปวงนัตติสันติพลังสุขขงังความสุขที่เกิดจากการทำใจให้สงบใจจะสงบได้นี้จำเป็นที่จะต้องอยู่ตามํำพัง อยู่สถานที่ที่ไม่มีเสียงบรบกวนอะไรต่างๆ<ม>เพราะเวลามีเสียงเข้ามาบรบกวนนี้<ม>ใจจะใจจะไม่นิ่งใจจะมีปฏิกิริยาต่อเสียงต่างๆที่เข้ามาสัมที่เข้ามาสัมผัส<ม>แต่ถ้าไม่มีเสียงอะไรเลยนี้ใจก็จะนิ่งเฉยได้ นนี้ก็เรื่องของการถ้าเราทําอมิสบูชาถ้าเราช่วยกันสร้างวัดปฏิบัติกันได้ก็จะมีที่ไปศึกษาไปปฏิบัติกันเพราะวัดที่อยู่ในตามบ้านตามเมืองนี้ไม่มีการปฏิบัติกันอย่างจริงจังอะไรถ้ามีการปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบพอเป็นพิธีเท่านั้นเองนั่งสมาธิกันหน่อย ทำวัดส่วนมนตแล้วก็นั่งสมาธิกันนอกจากนั้นแล้วก็ไม่มีการปฏิบัติ น, นี่คือเรื่องของอาบิสบูชาและปฏิบัติบูชาที่พระพุทธเจ้านี้ส่งสอนให้ชาวพุทธเรามาพยายามทำกันให้มากๆทำกันบ่อยๆทาทำจากขั้นที่หนึ่งไปสู่ขั้นที่สอง เบื่อตอนถ้าเรายัางไม่ได้ธรรมมิสบูชาเลยก็ควรที่จะฝึกธรรมมิสบูชาไปหรือถ้าเราสามารถไปปฏิบัติบูชาได้ก็จะไป ป, ปฏิบัติบูชาเลยก็ได้การปฏิบัติบูชานี้มันยากกว่าอรมมิสบูชาอรมมิสบูชานี้ก็เพียงแต่การเสียสละทรัพย์สมทรัพย์สินของเรา เงินทองของเราที่เราเหลือกินเหลือใช้นี้เอาไปทำประโยชน์ให้กับพระพุทธศาสนาสร้างสร้างวัดสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมแล้วก็สนับสนุนการดำเนินกิจการของของวัดเช่นสนับสนุนทางด้านปจัจจัยสีอาหารเครื่องนุ่งห่มของพระภิกษุพระภิกษุสงฆ์ ที่วัดสัยแล้วก็ยารักษาโรคเท่านี้ก็เรียกว่าเราได้ทําอมิสบูชานะ <c oughs> ถ้าเราไปอยู่วัดไปไปทาบุญกับวัดปฏิบัติเราก็อาจจะได้อยู่วัดด้วยก็ได้ <c oughs> ทําบุญเสร็จแล้วเราก็ไปปฏิบัติบูบชาต่อได้เลย <c oughs> ไปรักษาศีล <c oughs> เพิ่มขึ้นจากศีลห้าเราก็ไปถือศีลแปดกัน เพราะการที่จะปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลนี้สินห้านี้มีกําลังไม่เพียงพอต่อการสนับสนุนการปฏิบัติเพื่อทําให้จิตใจนี้สงบเป็นสมาธิเพื่อที่จะได้สนับสนุนการจเจริญปัญญาเพื่อการกําจัดกิเลสตนะัณหาเหตุที่สร้างความทุกข์ให้กับใจให้หมดซึ่งไปจากใจได้ จำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาตามขั้นไป<อ>เพราะว่าศีลนี้จะเป็นผู้สนับสนุนการการปฏิบัติสมาธิและสมาธินี้จะเป็นผู้ที่จะสนับสนุนการปฏิบัติปัญญาและปัญญานี้จะเป็นผู้ที่สนับสนุนให้บรรลุมรรคผลนิพพานจึงจำเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติ เป็นขั้นเป็นตอนไปถ้าเราไม่มีศีลเราไปฝึกสมาธินี้สมาธินี้จะไม่ได้ไม่ค่อยมีกำลังจะไม่ค่อยได้ไม่ไม่ได้มากพอไม่เหมือนกับถ้าเรามีศีลใบปฏิบัติเบื้องต้นนี้เราต้องรักษาศีลก่อนศีลสําหรับนักปฏิบัตินี้ก็ต้องเป็นศีลแปดขึ้นไปศีลแปด เพราะว่าสิ่งแปดนี้จะห้ามไม่ให้ไม่ให้เราไปทากิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นรสนั่นเองทางกามเพราะถ้าเราถ้าเราไปทำกิจกรรมทางกา ร, ร ม, มันก็สวนทางกับการไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเพราะการเจริญสติการนั่งสมาธินี้เพื่อดึงใจให้ออกจากกามให้เข้าสู่ความสบ ถ้าใจยังติดข้องอยู่กับเรื่องของกลามอยู่เรื่องของรูปเสียงเรื่องของรูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะอยู่จิตใจนี้จะสงบไม่ได้ถ้าใจเรายังคิดอยากที่จะดูอยากจะฟังอยากจะดื่มอยากจะรับประทานอยากจะไปที่นั่นอยากจะไปที่นี่อยากจะร้องรำทําเพลงอะไรต่างๆเหล่านี้มันก็จะเป็นอุปสรรคต่อการ ที่จะมาฝึกสมาธิเพื่อทำใจให้สงบนั่นเองแต่ถ้าเรารักษาศีลแปดได้เราก็จะห้ามใจของเราไม่ให้ไปทากิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นรสเมื่อเราไม่ไปทํากิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นรสการที่จะทําใจให้สงบให้นิ่งให้เย็นให้สบายให้สุขนี้ก็จะเป็นของที่ง่ายกว่าง่ายกว่าการที่เรายังไปเกี่ยวข้องกับ กิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นลดอยู่ดังนั้นถ้าเราอยากที่จะได้สมาธินี้เราต้องสร้างสีแปดขึ้นมาให้ได้ก่อนรักษาสีแปดให้ได้ก่อนถ้ายังรักษาสีแปไม่ได้รักษาได้แค่สีห้าก็จะทาได้ไม่มากทำสมาธิได้แค่วันละครั้งสองครั้งแต่ถ้าเราอยากจะทำแบบทั้งวันทั้งคืน ถ้าเราเห็นคุณค่าของการปฏิบัติว่าเป็นของที่มีคุณค่าอย่างยิ่งและการที่จะปฏิบัติได้ผลมากนี้จาเป็นที่จะต้องมีการปฏิบัติตลอดเวลาปฏิบัติตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนหลับนพวกที่ผู้ที่บรรลุมรรคผลนิพพานกันนี้ส่วนใหญ่เป็นผู้ปฏิบัติแบบมืออาชีพจะไม่มีภารกิจอย่างอื่นยกเว้นภารกิจที่เกี่ยวกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง เท่านั้นนอกจากนั้นแล้วจะให้เวลากับการปฏิบัติให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าคู่ต่อสู้คู่ที่เราต้องการที่จะไปกําจัดนี้เขาทํางานตลอดเวลานั่นเองคู่ต่อสู้ของเราก็คือกิเลสตัณหาความโลภความอยากต่างๆนี่มันทํางานตั้งแต่เราลืมตาขึ้นมาเลยกิเลสตัณหานี้จะพักก็ช่วงที่เรานอนหลับเท่านั้นเอง แต่พอเราตื่นขึ้นมานี้มันก็จะเริ่มออกมาคอยถักดันจิตใจเราให้ไปโลิกไปอยาด ก, กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นคนนี้กับเรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเวลา<ม>งั้นการปฏิบัติเพื่อกําจัดกิเลส ต, ตัญหาจึงจําเป็นที่จะต้องปฏิบัติตลอดเวลาเช่นเดียวกันมไม่ใช่ปฏิบัติเพียงแค่วันละชั่วโมงวันละครึ่งชั่วโมงครั้งละครึ่งชั่วโมงถ้าทําอย่างนี้ ก็ไม่มีทางที่จะกำจัดกิเลสตัณหาตัวการที่มาสร้างความทุกข์ความวุ่นวายให้กับใจตัวการที่ดึงให้ใจต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่เรื่อยๆนี้ไม่ได้ไม่สามารถที่จะกำจัดมันได้ต้องก็ต้องคอยกำจัดมันทุกทุกลมหายใจเข้าออกเลยตั้งแต่เราเตื่นขึ้นมาเลยนี่เราต้องเตรียมเราต้องออกรบทันทีเหมือนทหารนี อนนี้เวลานอนก็นอนกอดปืนไว้เลยพอได้ยินเสียงค่าศึกศัตรูเข้ามาก็ลุกขึ้นมาต่อสู้กันทันทีเลยอันนี้ก็เหมือนกันสำหรับนักปฏิบัติแล้วการปฏิบัตินี้จะต้องปฏิบัติกันตั้งแต่ตื่นจนหลับตั้งแต่ลืมตาขึ้นมานี้ก็เตรียมตัวต่อสู้กับค่าศึก ท, ทันทีใช้ใช้สติใช้ปัญญาต่อสู้ประมินทันที ไม่อยู่เฉยๆไม่ปล่อยให้มันฉุดฉุดลากใจให้ไปหลงละเริงกับความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสผุดเถพาใช้ศีลใช้สมาธิใช้ปัญญาคอยต่อสู้ถึงจเป็นถึงจำเป็นจะต้องรักษาศีลแปดเพราะศีลแปดนี้มันจะห้ามไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายเลยไม่ให้ไปร่วมหลับนอนกับใคร นี่คือศีลสำหรับผู้ที่ต้องการปฏิบัติบูบชาและต้องการปฏิบัติแบบเต็มรูปแบบควรที่จะรักษาศีลแปดกันแต่สำหรับผู้ที่เพียงแต่จ ะ, จะปฏิบัติเพียงแค่วันละครึ่งชั่วโมงชั่วโมงหนึ่งนี้ศีลห้าก็ยังพอรักก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่สู้ศีลแปดไม่ได้ถ้ารักษาศีลแปดได้นี่ก็จะ มีเวลาให้กับการปฏิบัติได้ทั้งวันก็ต้องเป็นเวลาที่เราไม่ต้องไปทำงานทำการด้วยเช่นวันพระอย่างวันนี้ในสมัยก่อนนี้การทำงานนี้จะหยุดกันในวันพระเพราะประเทศเราเป็นประเทศที่มีพระพุทธ ศ, ศาสนาและเราก็มีวันพระกัน พอถึงวันพระเราก็รู้ว่าเป็นวันที่เราต้องหยุดภารกิจการงานเราสมัยก่อนนี้วันหยุดทํางานวันหยุดอะไรต่างๆนี้จะตรงกับวันพระแต่สมัยนี้โลกเปลี่ยนไปเราไปเกี่ยวข้องกับโลกที่มาจากต่างประเทศซึ่งเขามีวันหยุดวันเสาร์วันอาทิตย์เราก็เลยเปลี่ยนวันหยุดไปเป็นวันเสาร์วันอาทิตย์แทนกัน วันพระเราก็เลยไม่ได้เป็นวันหยุดเราก็เลยไม่สามารถที่จะมาปฏิบัติมาศึกษาธรรมได้แต่เราก็สามารถที่จะปรับเวลาปรับวันพระของเราได้ถ้าวันหยุดของเราเป็นวันเสาร์อาทิตย์เราก็มาทำวันเสาร์อาทิตย์นี้ให้เป็นวันพระขึ้นมาแทนแล้วเราจะได้เอาวันพระที่เป็นวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นี้ มาทำการปฏิบัติบูชามารักษาศีลแปดมาฝึกสมาธิฝึกปัญญากันทั้งวันทั้งคืนได้เพราะถ้าเป็นวันหยุดนี้เราก็ไม่จาเป็นเราก็ไม่ต้องไปทำงานทำการไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเราก็จะสามารถปฏิบัติได้ทั้งวันทั้งคืนถ้าเราเอาวันหยุดของเรานี้มาเป็นวันพระ เพราะว่าวันพระอย่างวันนี้อาจจะเป็นวันทางานของเรากันเมื่อเราทำงานวันพระนี้เราก็เลยไม่สามารถที่จะมาใช้ให้กับการปฏิบัติบูชาได้เราก็จะไม่สามารถที่จะมาฝึกศีลสมาธิปัญญาได้ทั้งวันทั้งตืนนัเราก็ต้องเปลี่ยนวันพระของเราใหม่ให้ตรงกับวันหยุดของเรา ถ้าเราหยุดวันเสาร์ก็เอาวันพระนี้เป็นวันเสาร์ถ้าหยุดวันอาทิตย์หรือวันใดวันหนึ่งวันไหนที่เราว่างจากภารกิจการงานเราก็เอาวันนั้นมาเป็นวันพระมาให้เป็นวันที่เราจะมาทาการบูชาเพื่อสร้างความมงคลให้แก่ชีวิตจิตใจของเรายกระดับจิตใจของเราให้สูงขึ้นเพิ่มระดับความสุขของจิตใจเราให้มากขึ้นด้วยการ ธ ร, รมามิตบูชาแ้วถ้าเราปฏิบัติบูบชาได้เราก็ทําปฏบิบัติบูชาต่ออันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องเป็นผู้กําหนดกันเองเราต้องตั้งอธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานถ้าเราไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานนี้เราก็อาจจะไม่ได้ทําก็ได้เพราะเราจะลืมบางทีลืมวันพระ บางทีลืมวันหยุดเพราะว่าวันหยุดเราบางทีเราก็ไปนัดไว้กับคนอื่นว่าไปทำกิจกรรมนั้นทากิจกรรมนี้ทั้งๆ ท, ท, ที่ไม่จำเป็นจะต้องทำเช่นไปเที่ยวกันไปหาความสุขทางตาหูจมูกเส้นกายกันถ้าเราไม่มีการตั้งสัจจะอธิษฐานนี้บางทีถึงแม้จะมีวันหยุดมีวันพระเราก็อาจจะไม่ได้ทำการปฏิบัติบูบชาก็ได้ อาจจะทำได้เพียงแค่อามิสบูชาก็คือการทำบุญลักบาทอะไรบริจาคเงินทำทบบุญทำทานไปเพราะมันเป็นการกระทำที่ง่ายและไม่ใช้เวลามากเพราะว่าเราอยากจะเอาเวลาของเรานี้ไปทำกิจกรรมทางรูปเสียงกลิ่นรสกันแต่ถ้าเรามีการตั้งสัจจะอธิษฐานาต่อไปนี้ วันที่เป็นวันหยุดของเรานี้เราจะเอามาใช้กับการปฏิบัติบูชากันอาบิสบูช า, ชาจะทำบุญทำทานเสร็จแล้วเราก็จะจะศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วก็ปฏิบัติสิงสมาธิปัญญากันอันนี้ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะไว้เรามักจะลืมความสำคัญของการบูชากันลืมความสำคัญของการสร้างความเป็นมงคล ให้แก่ชีวิตเพราะเราจะถูกความหลงมันครอบงำหลอกให้เราไปหาความสุขจากการเสพลูกเสียงกลิ่นรสกวดทพะชนิดต่างๆกันดัง mm hmm. นั้นถ้าเรามีความปรารถนาต่อการหลุดพ้นจากกองทุกแห่งการยืนว่าตายเกิดเราต้องมีการตั้งสัจจะอธิษฐานกัน mm hmm. ถ้าเราไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานเราก็จะไม่มีอะไรเป็นตัวคอย ดึงเราให้เรามาทําการบูชาทั้งอมิสบูชาและปฏิบัติบูบชาเราก็จะถูกเหตุการณ์ต่างๆถูกเพื่อนฝูงบุคคลต่างๆนี้มาดึงเราไปทํากิจกรรมอย่างอื่นกันซึ่งกิจกรรมนันอะไรต่างๆในโลกนี้ที่ทํากันไปนี้มันไม่มีคุณประโยชน์มากต่อจิตใจ มันไม่สามารถเอาติดไปกับจิตใจได้เวลาที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วทำไปมากน้อยเพียงไรมันก็อันธารหายไปหมดเวลาที่ตายไปนี้ก็ไม่มีอะไรติดไปกับใจเลยแม้แต่น้อยแต่การกระทดาด้วยการอามิสบูชาและด้วยการปฏิบัติบูชานี้มันจะมีความสุขและความเจริญของจิตใจติดไปกับใจ เช่นจิตใจตอนนี้เราเป็นมนุษย์ยถ้าเรามีการกระทำอามิสบูชาอย่างต่อเนื่องจิตใจของเราก็จะกลายเป็นเทศไป mm hmm. แล้วถ้าเรามีการปฏิบัติบูบชาอย่างต่อเนื่องจิต mm hmm. ใจเราก็จะกลายเป็นพรม mm hmm. กลายเป็นพระอาริยบุคคลไป mm hmm. และไปถึงพระนิพพานได้ในที่สุดง mm hmm. ั้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับทางศาสนานี้ ยังถือว่ายังถือว่าเป็นกิจกรรมที่มีความสาคัญมากกว่ากิจกรรมทางโลกทางลาบยศจลาเสริญสุขกันดังนั้นหลายการที่เราจะมาทํากิจกรรมทางธรรมได้เราต้องมีอะไรเป็นเครื่องคอยดึงเราไว้ดึงเรามาถ้าเราไม่มีเครื่องที่จะคอยดึงเรามาใจของเรานี้จะถูกกระแสของทางโลกดึงไป ถูกเพื่อนฝูงถูกเหตุการณ์ต่างๆถูกสังคมดึงไปเดี๋ยวต้องไปงานคนนั้นเดี๋ยวต้องไปงานคนนี้เดี๋ยวเพื่อนคนนั้นก็มาชวนไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่หรือถ้าไม่มีเพื่อนชวนบางทีกิเลสเราในใจมันก็ชวนเราไปชวนไปดูนั่นไปฟังนี่ไปกินไปดื่มกันอันนี้มันเป็นกระแสที่มันคอยดึงใจเราให้ไปอยู่เรื่อยๆ ถ้าเราต้องการที่จะมาทางธรรมต้องการที่จะมาทาการบูชาเราต้องมีอะไรเป็นเครื่องดวงเหนียวจิตใจเราเป็นเครื่องดึงจิตใจของเราให้เข้ามาทางธรรมให้ได้และสิ่งที่จะดวงเหนียวจิตใจดึงจิตใจของเราให้เข้ามาทางธรรมได้ก็คือสัจจะอธิฐานน่งก็คือความตั้งใจอันแน่วแน่ อธิษฐานนี้คือการตั้งใจที่จะทาทาอะไรอย่างหนึ่งอย่างใดอย่างหนึ่งเรียกว่าอธิษฐานสัจจะก็คือความจริงใจเช่นเรามีความตั้งใจที่จะมากระทาบูชาในวันหยุดถ้าเราไม่ตั้งสัจจะอธิษฐานไว้บางทีเราก็ลืมไปหรือบางทีก็ต้องต้องเก่งด้วยความเก่งใจก็อาจจะต้องไปทา กิจกรรมอย่างอื่นเพราะมีคนมาชวนไปหรือมีสังคมมาดึงไปแต่ถ้าเราได้ตั้งศัจจานิฐานไว้ได้เวลามีใครจะมาดึงเราไปเราก็ปฏิเสธเขาไปได้ปฏิเสธบอกว่า ว, วันนี้ไม่ว่างวันนี้มีภารกิจทางทางธรรมที่จะต้องทําวันนี้ต้องไปบูชาต้องไปบูชาพระพุพพทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างนี้เราก็มีข้ออ้างฮบอกก็ได้ ใครมาชวนให้เราไปงานแต่งงานไปงานวันเกิดนะหรืองานอะไรต่างๆที่ทางโลกเขามีกันนี้พอถึงวันที่เราเป็นวันพระ ข, ของเราวันหยุดของเราเราก็ปฏิเสธเข้าไปได้ถ้าเรามีสัจจะอธิษฐานแต่ถ้าเราไม่มีสัสจจะอธิษฐานพอใครมาชวนมาดึงไปเราก็ตอบรับ ท, ทันทีเราก็จะสูญเสียวันอันสำคัญวันที่เราจะมาใช้ให้กับการบูชา เพื่อสร้างมงคลให้แก่ชีวิตจิตใจของเรานี่คือจุดเริ่มต้นถ้าเราเห็นคุณค่าของการของการศึกษาของการปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจำเป็นที่จะต้องจัดจัดสรรวันเวลาให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัติอย่างจริงจังไม่ใช่อย่างแบบไม่มีกำหนดกฎเกณฑ์อะไรนึกอยากจะทาก็ทาไม่นึกอยากจะทาก็ไม่ทาอย่างนี้ ถ้าเป็นพระปล่อยให้เป็นไปอย่างนี้การพัฒนาจิตใจของเราให้สูงขึ้นให้หลุดออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดนี้ก็จะเป็นไปไม่ได้เลยหรือเป็นได้ยากมากเพราะว่าเวลามเวลาที่เราให้กับการศึกษาให้กับการปฏิบัตินี้มันมีน้อยมากนั่นเองถ้าเราศึกษาประวัติของพระอริยบุคคลทั้งหลายนี้ที่ท่านบรรลุเป็นพระอริยะ ก, กันได้นี้ เราจะรู้เราจะเห็นว่าท่านอุทิศชีวิตของท่านให้กับการศึกษาปฏิบัติธรรมเพียงอย่างเดียวเคยทำภารกิจอย่างอื่นเคยเคยทำธุรกิจอะไรต่างๆนี้ก็ยกเลิกไปหมดแล้วออกจากงานสละสละข้าวของเงินทองไปบวชกันอันนี้แหละถึงจะทำให้ได้ปฏิบัติกันอย่างเต็มที่ถ้าไม่ได้ทำกันอย่างเต็มที่แล้ว โอกาสที่จะหลุดพ้นจากกองทุกภายในชาตินี้นั้นแทบจะไม่มีเลยแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยทั้งๆ ท, ที่เราได้มาเจอกับแสงสว่างแห่งธรรมในภพนี้ชาตินี้แล้วแต่แล้วก็ไม่ใช่เป็นแสงสว่างแห่งธรรมที่เราจะมีได้พบกันทุกภพทุกชาติพบต่อไปคราวหน้าเรากลับมาเกิดใหม่แล้วอาจจะไม่ได้เจอแสงสว่างแห่งธรรมแล้วเราก็จะอยู่ในโลกที่มืดมิดด้วย ด้วยความด้วยความหลงความหลงในในลาบยศสรรเสริญสุขกันก็จะไม่มีใครที่จะมาสั่งมาสอนมาดึงให้เราไปในทางธรรมกันได้ฉนั้นพบนิชานนี้เป็นเวลาที่ที่ดีมากที่ประเสริฐมากเพราะมีแสงสว่างแห่งธรรมมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คอยดึงเราคอยพาเราให้ให้ไปในทางที่จะทำให้เราได้หลุดออกจากกองทุกข์ได้ ถ้าเราไม่รีบช่วยโอกาสในช่วงนี้แล้วถ้าเราตายไปถ้าเรายังไม่หลุดพ้นเราก็ยังต้องกลับมาเกิดใหม่แล้วเามื่อเกิดใหม่ชาติหน้าอาจจะไม่มีใครมาคอยดึงเราไปก็ได้เราก็ต้องรอไปจนกว่าจะมีพระาศาสนาองค์ใหม่พระาศาสนาอีกยุคหนึ่งยุคใหม่มามาเป็นผู้นำทางเราอีกต่อไปซึ่งอาจจะเป็นเวลาอันยาวนาน นานจนกระทั่งเราไม่สามารถนับวันเวลาได้ว่านานขนาดไหนเพราะฉะนั้นเราอยู่ในช่วงที่เป็นช่วงที่มีแสงสว่างแห่งธรรมรีบตักตวงผลประโยชน์ในช่วงนี้เถิดอย่าหลงไหลไปกับเรื่องของทางโลกเลยเรื่องของทางโลกนี้มันเป็นเรื่องของความสุขชั่วคราวตายไปก็เอาอะไรติดตัวไปไม่ได้ตายไปก็ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดใหม่ไปเรื่อย น, นี่ก็คือเรื่องของการบูชาในพระพุทธศาสนาก็คืออมิสบูชาและปฏิบัติบูชาที่นำมาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้ผรยะถ า, าวาัดวาหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวามวะอิตทจินังเปตานาังอุ ป, ปกาปติ อิต t ตังปาทิตังตุ მ หังคิปะเมวะสะมิฉาตุสัพเพปุลัยตุสังกปายันโทปะนาอาวาสุยะธามณิโชติอาวาสุยะธาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพารโขวินัสตุ มาเตภวะตวันตาาโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีดิสานิจังวุฒาปจายินุจตารธรมมาวทานติอายุวันโสุขังอาลั ช่วงต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครอยากจะถามอะไรก็เป็นช่วงที่จะถามได้จะถามเองก็ได้หรือจะเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งเข้ามาทางเพจทาง youtube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามเท่าไหร่วันนี้ผู้รับชมทาง facebook พระอาจารย์สุชาติ435 YouTube พระสุชาติไลฟ์281 YouTube ดรว57วิทยุ8คลับฮาส์10ผู้รับฟังหน้ากุฏิ67คนรวมทั้งหมด858ครับวันนี้มีโยมเข อ, อยากจะถามคำถามพูดใกล้ๆปังหค่อยพูดดังๆ Uh huh. มีคําถามจะกราบเรียนถามะค่ะว่าตะก่อนแต่ก่อนภาวนาพุโทโธตลอดใจเย็นเย็นมากเลยเหมือนน้ําลดใจอ่ะค่ะแล้วทีเนี้ยมาสองสามปีหลังพอได้ทํางานแล้วมันมันร้อนไปหมดเลยค่ะพุโทโธก็ไม่ไหวแล้วเอาไม่อยู่ทําบุญก็ก็ยังร้อนเหมือนเดิมค่ะไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรเริ่มไม่พุโทโธต่อนี้ เอาไม่พูดโทรต่อหรออ่ต้องทําพูดโทรไปเรื่อยๆพูดโทรมันนีเหมือนเครื่องป่าประกาศเนี่ยถ้าเราปิดปิดแอร์มันก็ไม่เย็นเนลย<อ>ต้องพูดโทรเรื่อยๆหรอคะอ่าทั้งวันทั้งคืนอุย้ย<อ>แต่แ ต, แต่ทํางานบางที<า>งทนั่นสิก็ต้องทําพยายามช่วงไหนว่างก็พูดโทรไป ต้องพยายามทำให้ตัดได้ตลอดเวลาวใช่ไหมคะตั้งแต่ตื่นขึ้นมาก่อนไปทำงานก็พูดโทรไว้ได้ก่อนเปิดแอร์ทิ้งไว้ก่อนนะอ๋อตอนนั้นเดือนที่แล้วไปทำบุญที่วัดสถานที่ปฏิบัติธรรมประธานพรนะคะทำบุญใหญ่แล้วทีนี้มันความขี้เกียจมันมีอะคะ่ะหนักตัวไปหมดเลยอะคะ่ะก็เลยอุทิศบุญให้เจ้ากรรมนายเวรแล้วก็กิเลสตัวนั้นค่ะตัวขี้เกียจอะค่ะ รู้สึกเบาแล้วก็แบบคล่องแคล่วไปหมดเลยอะคะอ่ะ อ, อุทิศให้ได้ใช่ไหมคะตัวกิเลสเนี่ยมันไม่ได้หรอกแต่มันเป็นจิตวิทยามันทํา่ยมไม่ได้มันทําให้เรารู้สึกขยันขึ้นมาก็ได้มาอ๋อโอเคค่ะกิเลสมันมันเป็นของที่เราจะต้องใช้ใช้เครื่องมือต่อสู้กับมันมันถึงจะหมดไป มันมันขี้เกียจแล้วก็ต้องใช้ความขยันเลอ๋อค่ะมันหายไปแต่อันจะเป็นอุบายของเราสําหรับทําให้ใจเรามีกําลังสู้กับมันก็ได้อ๋อค่ะแต่ต้องขยันโดยเฉพาะพุโทโธนี่พยายามพุโทโธบ่อยๆช่วงที่เรายังไม่ได้ไปทํางานช่วงตอนที่เราตื่นขึ้นมาเตรียมตัวเตรียมตัวทั้งนั้นใช้ท่องพุโทโธพุทโธไปบางทีมีลืมด้วยนะคะใช่มันชอบลืมเราถึงต้องคอยเตือนอยู่เรื่อยๆ คอเตือนแล้วว่าหน้าที่ของเราที่แท้จริงก็คือการเจริญส ต, แติแต่ก่อนนั่งรถไปแต่ก่อนนั่งรถไปสองชั่วโมงสมชั่วโมงเนี้ยภาวนาได้ตลอดเลยอะคะ่ะไ ม, ไ ม, ไม่ไม่คิดหลังๆมาชอบลืมเป็นไรไม่รู้ตั้งแต่ตั้งแต่แบบร้อนอกร้อนใจอะคะ่ะใช่พราะมันเผลอมันยุมันไม่เกี่ยวข้องเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยลืมเรื่องนี้ไปเอเราต้องตั้งศัจษะทิศฐานอย่างที่บอกว่าต้องมีหน้าที่ที่เราต้องทําคือต้องรักษาใจเราให้เย็น และสิ่งที่จะทําให้ใจเราเย็นก็คือเราต้องขยันพุโทโธพุโทโธบ่อยๆค่ะโชงไหนที่เราไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุโทโธไปแทนเราไม่ได้คิดทั้งวันใช่ไหเราไม่ได้ทํางานต้องคิดเรื่องงานทั้งวั น, นตอนเช้าก่อนที่เราจะไปทํางานเราก็ไม่ต้องคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไปอาบน้ำล้างหน้าแปลงความกินอาหารแต่งเนื้อแต่งตัวเราก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วใจเราจะมีมีสมาธิมีความเย็นหน่ยงจิตใจไป แต่ก่อนทํำไมมันเย็นทํำไมหลังๆมันไม่เย็นนะคะก่อนก็ไม่ทำไม่ทำพุโทโธไม่เปิดแอร์มันก็ไม่เย็นนะอ๋อโอเคน่นงโอเคค่ะแล้วต้องเปิดแอร์มันถึงจะเย็นพุโทโธนี่เครื่องเครื่องปรับอากาศของใจอพอใจไม่ใจอยู่กับพุโทโธใจมันก็ไม่ได้ไปมีความโลภความโกรธความหลงมันก็เลยเย็นพอไม่ได้พุโทโธมันก็ไปโลภเรื่องนั้นไปโกรธเรื่องนี้เข้ามันก็ร้อนขึ้นมาทั้งนั้นเองพยายามใช้พุโทโธไป เรื่อยๆให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ยกเว้นเวลาช่วงไหนที่เราต้องใช้ความคิดก็หยุดพุโทโธอถ้าช่วงไหนไม่ต้องใช้ความคิดกำงานก็พุโทโธอย่าปล่อยให้มันไปคิดทางกิเลสอย่าไปคิดทางกิเลสมันก็ร้อนขึ้นมาอกราบขอบคุณค่ะสนะาธุาจ้ะย<อ>ังไงทางซิทนีท่ทางออยทางเมญกลานมีใครอยากจะถามอะไรไหมถามได้นะ กลาบลาะคะจ้าสาธุลองทำดูรับประกรันได้ใจยเย็นกลับคืนะถ้ามีพุโทโธอยอ่ไม่มีมีคำถามทางไหนก็เอาไว้ก่อนว่ า, า, าไปก่อนคำถามจากด้านหน้ากุติครับมีสองคำถามคำถามแรกสามีโยมเลี้ยงช้างทุกวันไม่มีโอกาสได้ทำบุญบ่อยนะัก โยมเป็นภรรยาจึงเป็นผู้จัดสรรทรัพย์ในการทําบุญทั้งหมดไม่ทราบว่าทั้งสามีและช้างที่เป็นผู้หาทรัพย์จะได้บุญด้วยหรือไม่เจ้าคะช้างคงไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาเขาได้ผลตอบแทนจากการทั้งเงินให้เราก็คือเราเลี้ยงเขาอันนี้เขาก็ได้ผลได้บุญของเขาไปแล้วคือได้อยู่ดีกินดีส่วนคนที่ทําบุญนี้ก็ ถ้าเราทําเราต้องถ้าสามีไม่รู้ว่าเราไปทําเขาก็จะไม่ได้บุญต้องบอกเขาว่า น, นี่เป็นเงินของพี่แล้วก็จะไปทําบุญพี่โอเคไหมต้องให้เขาอนุญาตเขาต้องยินดีถ้าเขาไม่ยินดีหรือเขาไม่รู้ว่าเราเงินเขาไปทําบุญเขาก็จะไม่ได้จะได้แต่ของเร า, างั้นถ้าอยากจะทําบุญให้สามีได้บุญด้วยก็ต้องให้เขารับรู้แล้วต้องให้เขายินยอมให้เขาอนุโมทนา เออดีดีเอาไปทำอย่างนี้อย่างนี้ก็ถึงจะได้บุญคำถามที่สองเวลาที่มีความทุกข์ใจมีแต่คนบอกให้ปล่อยวางแต่ในทางปฏิบัติทำยากและไม่รู้จะทำอย่างไรครับอยากครบควรสอบถามขอความเมตตาพระอาจารย์ว่าเราจะทำอย่างไรให้ปล่อยวางให้ได้ครับก็วิธีที่ปล่อยวางแบบง่ายและ ได้รวดเร็วแต่ปล่อยแบบชั่วคราวก็คือการใช้สติใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธหรือหยุดหรือใช้การสวดมนต์ไปเวลาที่เราเกิดความทุกข์เราไปยึดไปติดกับอะไรเราใช้พุโทโธพุธโทโธท่องไปเราก็จะลืมเรื่องที่เราไปทุกข์ด้วยเราก็พอเราอยู่กับพุโทโธพุธโทโธเท่ากับเราปล่อยวางชั่วคราวพอเราไม่ไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราไปยึดไปติดเราก็จะปล่อยวางชั่วคราว แล้วเราก็จะหายทุกข์แล้วถ้าเราอยากจะปล่อยวางว่าอย่างถาวางก็ต้องสอนใจว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเดี๋ยววันใดวันหนึ่งก็ต้องจากกันอยู่ดีเราไม่ได้อยู่ในโลกนี้ไปตลอดของต่างๆที่เรามีอยู่นี้เราเอาไปไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวอยานี้ใช้ปัญญาถ้าเห็นปัญญาว่าของที่เราไปยึดไปติดนี้มันเป็นของไม่เที่ยงเขาไม่จากไปก่อนเราเราก็อาจจะไปจากไปก่อนเขา งั้นถ้าเราเห็นด้วยปัญญาว่าในที่สุดก็ต้องจากกันเราก็จะปล่อยวางนะไม่ไปยึดไปติดได้แต่เบื้องต้นถ้าใช้ปัญาญายังไม่ได้ก็ใช้สติใช้พุโทโธไปก่อนต้องพุโทโธพุโทโธไปเวลาทุกข์กับเรื่องที่เรากําลังยึดติดอยู่อยากจะไม่ทุกข์กับมันก็พุโทโธพุโทโธพุทโธไปอย่าไปคิดถึงเรื่องนั้นพอเราพุโทโธไปสักพักเราก็จะลืมพอเราลืมแล้วความทุกข์ก็ความยึดติดอันนั้นก็หยุดไปเชื่อเข้า แต่พอเรากลับไปคิดถึงมันใหม่ก็อาจจะทุกข์ใหม่อีกเราก็ต้องใช้ปัญญาถ้าใช้ปัญญาได้ว่ามันไม่ใช่เป็นของเรานะมนันของชั่วคราวเป็นเหมือนของยืมเข้ามาวันใดวันหนึ่งเจ้าของเข้ามาเอาคืนไปเราก็ต้องคืนเข้าไปคำถามจากคุณนาวินวิธีละความพอใจและไม่พอใจต้องทำอย่างไรครับก็ถ้ายังอยากก็ยังแสดงว่ายังไม่พอใจ ยังอ ย, ง, อยงอยากได้ยังอยากได้นั่นได้นี่มีนั่นมีนี่อยู่ถือว่ายังไม่พอใจแต่ถ้าเป็นความอยากที่จำเป็นก็ก็ถือว่าพอเป็นไม่ใช่เป็นความอยากก็ได้เช่นเรื่องปัจจัยสี่นี้มันจะต้องมีอาหารเมื่อถึงเวลาก็ต้องกินอย่างนี้ถ้ากินอาหารตามเวลานี้ไม่เรียกว่าเป็นความอยากแต่ถ้ากินนอกเวลาเนี่ยเรียกว่าเป็นความอยาก บางทีกินไปได้แค่ครึ่งชั่วโมงอยากจะกินขนมอีกแล้วอย่างนี้เรียกว่าเป็นความอยากความไม่พอถ้าถ้าพอมันก็จะไม่กินจนกว่าจะถึงเวลากินหมดแล้วนะล่ะวิธีที่เราจะเปรียบเทียบ ว, ว่าเป็นกิเลสหรือไม่เป็นกิเลสก็ถามว่าสิ่งที่เราอยากได้นี้มันจำเป็นหรือไม่จำเป็นถ้าไม่ถ้าไม่มีมันแล้วเราจะตายหรือไม่ตาย ถ้าไม่มีมันแล้วเราจะตายนี่ก็ถือว่าจําเป็นก็ต้องมีอย่างนี้ก็ถือว่าไม่เป็นกิเลสมันเป็นความจําเป็นแต่ถ้าเป็นของที่ถ้าไม่มีมันเราก็อยู่ได้อย่างเงี้ยแสดงว่าถ้าเราอยากได้ก็แสดงว่าเป็นกิเลสแล้วเราต้องเช่นเรามีเสื้อผ้าพอหรือยังตอนนี้พอใส่หรือยังเราไปเห็นเสื้อผ้าชุดใหม่ในร้านอยากจะได้ขึ้นมาเนี้ยเป็นกิเลสไหยเป็นกิเลสเนี่ย แต่ถ้าเสื้อผ้าเราไฟไหม้บ้านไหม้ไฟไหม้ไม่มีเสื้อผ้าใสาไม่เหลืออยู่ชุดเดียวอย่างนี้อย่างนี้ต้องไปซื้อชุดใหม่อย่างนี้ไม่เป็นกิเลสมันเป็นความจําเป็นนี่คือหลักวิธีเปรียบเทียบเพื่อเราจะได้รู้ว่าอะไรเป็นกิเลสอะไรไม่เป็นกิเลสอยู่ที่เหตุผลอยู่ที่ความจําเป็นถ้าไม่มีความจําเป็นแล้วอย่าไปมีมันดีกว่ามันจะเป็นเหมือนยาเสพติดยาเสพติดนี้จําเป็นต้องมีไหมไม่มี เสพแล้วมันดีไอมมันดีตอนที่เสพใช่ไหมเสพก็แฮปปี้แต่พอมันไม่มีเสพนี่มันก็หงุดหงิดําคาญใจขึ้นมาเหมือนการสิ่งต่างๆที่เราอยากได้ทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่มันเป็นเหมือนยาเสพติดเราไม่มีความจาเป็นจะต้องไปเสพมันไม่ต้องไปดูหนังฟังเพลงไม่ต้องไปเที่ยวที่นั่นที่นี่เราก็อยู่ได้แต่พอเราไปเที่ยวแล้วไปดูหนังฟังเพลงแล้วมันจะติดเวลาที่ไม่ได้เที่ยวไม่ได้ดูมันจะทุกข์ เรามองอย่างนี้นะถ้าเราอยากจะมีความสุขมีความสุขจากการมานั่งสมาธิกันดีกว่าอันนี้ไม่ใช่ยาเสพติดอันนี้เป็นอาหารของใจเวลาใจสงบนี้เหมือนก็ได้กินอาหารอิ่มอิ่มแล้วก็สบายมีความพอเกิดขึ้นในใจเห็นถ้าอยากจะมีความสุขอย่าไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆให้มาาาาาควมมสขจากการนั่งสมาธิว่ายพระส่วดมนต์ ถ้ายัางนั่งไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนสวดไปนานแล้วใจจะเย็นพอเย็นพอแล้วก็ลองนั่งหลับตาดูลมหายใจเข้าออกไปแล้วต่อไปเราก็จะนั่งสมาธิเป็นแล้วต่อไปเราก็ไม่ต้องไปเที่ยวไปไปดูไปฟังไปกินไปเดิมอะไรที่ไม่จำเป็นเราก็จะทุกครั้งที่เราอยากจะมีความสุขเราก็นั่งหลับตาพุทโธพุทโธไปเมื่อดูลมหายใจไปสวดมนต์ไปแค่นี้เราก็มีความสุขแล้ว คำถามจากคุณไพโรธถือศินแปดกินก่อนเที่ยงวันหรือเลยเที่ยงวันสักห้าถึงสิบนาทีได้ไหมครับคงคงไม่เป็นไรมั้งแค่นั้นเป้าหมายก็คือไม่ให้เรากินมากเท่านั้นเองนี่ถ้าบางทีมันเวลาถ้าเราอยากจะถือสินแปดวันทํางานนี้มันอาจจะทําไม่ได้เพราะว่ามันหลังเที่ยงเราหยุดพักเที่ยงแล้วค่อยกินข้าวใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเสลยเราก็เปลี่ยนเวลา หยุดทำงานหยุดกินข้าวมามามาหยุดตอนสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงครึ่งนี<ฆ>้แล้วช่วงนั้นก็กินข้าวก่อนให้มันเสร็จก่อนเที่ยงวันก็ได้<ฆ>แต่ถ้ามันช้าช้าเร็วประมาณครึ่งชั่วโมงชั่วโมงนี้ก็คงไม่ถือว่าเป็นเรื่องคอขาดบาดตายอะไรแต่ถ้าไปกินช่วงสามโมงสี่โมงนี<ๆ>่อาจจะไม่ถูกมีอะไรไหม มีใครอยากจะถามอะไรไหมเดี๋ยวเราดูมีใครส่งคาถามเข้ามาอีกหรือเปล่าเดี๋ยวเราซับแป๊บหนึ่งนะสีนแปดนี้มีไว้เพื่อให้เราหยุดกิจกรรมทางลูกเสียงกิจรถแล้วมาทำกิจกรรมทางสมาธิทางสติเดินจงกรมนั่งสมาธิหรือฟังเทศฟังธรรมถ้าเราไปทำกิจกรรมดูนึกสิกเป็น เที่ยวที่นั่นที่นี่มันก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติธรรมศีล mm hmm. นี้เป็นเหมือนเป็นรัว้วเป็นรั้วกัน้นไม่ให้ใจเราออกนอกลกูนอกทาง mm hmm. ให้อยู่ในทางของศีลสมาธิปัญญา mm hmm. ถ้าไม่มีไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ถือศีล mm hmm. เดี๋ยวก็ไปกินข้าวกันได้แล้วไปไ ป, ไปเที่ยวไปเล่นไปไปทำอะไรกันได้แต่ถ้าวันนี้ถือศีลก็ไปไม่ได้ mm hmm. พวกที่ถือศีล น, นุ่งขาวอมขาวนี่ต้องอยู่ในวัด ตอนเย็นท่นจะกินข้าวต้องไปเข้าบสถไหว้พระส่วนนว์นั่งสมาธิแทนก็ได้เปลี่ยนความสุขแบบใหม่ความสุขที่ดีกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบเนพระพุทธเจ้าตัดไว้ว่าไม่มีสุขอันใดที่จะเหนือท่าเหนือกว่าความสุขที่เกิดจากความสงบนัติสันติพลังสุขขังลถแห่งธรรมชนะลถทั้งปวงลถแห่งธรรมก็คือลถของความสงบชนะลถของรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ แต่ลดแท่งทม์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเราต้องปฏิบัติเราต้องใช้สติควบคุมใจให้หยุดความคิดถ้าเราหยุดความคิดได้ใจก็จะเนิ่งจะสงบแล้วก็จะเกิดความสุขขึ้นมาฉะนั้นต้องพยายามอย่าไปเอาเวลาไปให้กับการหาความสุขแบบยาเสพติดให้มาหาความสุขแบบอาหารดีกว่าความสงบนี้เป็นเหมือนอาหารของใจส่วนความสุขจากรูปเสียงกลิ่นล้นนี้เป็นเหมือนยาเสพติด แล้วมันจะติดเวลาไม่ได้เสพมันจะทุกข์ดีไหมคำถามมีหนึ่งคำถามครับคำถามจากคุณไมมารินเอ่อเราสามารถที่จะทราบได้ไหมครับว่าผู้ที่ตายไปเขาไปอยู่ในภพภูมิไหนครับถ้าเรามีอภิน ญ, ญามีความสามารถพิเศษนี้เราก็จะรู้ได้บางคนนักปฏิบัติธรรมนี้ มีอยู่หทัเปเซ็นตน้องที่มีความสามารถที่จะติดตามดูกายทิพย์ได้สามารถติดต่อกับพวกเทวดาพวกผีได้เขาก็จะรู้ว่าเวลาตายไปแล้วไปที่ไหนไปเป็นอะไรเขาจะรู้ได้อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านมีความสามารถอันนี้ท่านสามารถติดต่อกับพุทธมารดาของท่านได้พุทธมารดาตายไปตั้งแต่ท่านอายุเจ็ดเจดวันแต่ท่านมาตัดสู้ตอนอายุสาสิบห้า ท่านยังสามารถใช้อภินยาของท่านนี้สามารถไปค้นหาว่าพุทธมารดาอยู่ที่ไหนจนในทีเส็จก็เจอว่าอยู่บนสวรรค์ก็เลยสามารถติดต่อแล้วก็แสดงทำให้พุทธมารดาฟังจนพุทธมารดาได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันขึ้นมาอันนี้เกิดจากอภิน ญ, ญารือสมาธิที่เขาเรียกว่าอิเทลิศอิเทลิท คือมีความสามารถที่จะติดต่อกับผู้กายทิพย์ได้แต่ผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่นี้9้า้าปอร์เซนี้จะจะไม่มีความสามารถอย่างนี้ซึ่งก็ไม่ไม่สำคัญความสามารถอ น, นี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบรรลุมรรคผลนิพพานจะมีหรือไม่มีก็ไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ทำให้บรรลุหรือไม่บรรลุ แต่ไม่ต้องกังวลถ้าเรานั่งสมาธิแล้วเราไม่สามารถไปติดต่อกับพูดผีปีศาจได้ก็ไม่ต้องกังวลควรจะดีใจซะอีกเพราะว่าถ้าเราจิตใจไม่เข้มแข็งไม่กล้าหาญพอเวลาไปเจอพวกนี้เขาอาจจะตกใจกลัวขึ้นมาก็ได้ดงั้นถ้าไม่รู้ได้ยิ่งดีนะไม่ต้องไปสนใจ คำถามจากคุณสุคนคุณแม่อายุ74ปียังเลี้ยงวัวให้หญ้าให้น้ําให้อาหารวัวให้หลานแม่จะเป็นบาปไหมครับบอกให้แม่เลิกแต่แม่สงสารวัวครับอ๋อไม่บาปแล้วก็การให้อาหารมันจะไปบาปตรงไหนก็เหมือนกับว่าทำบุญใส่บาตก็ให้อาหารพระเหมือนกันจะบาปต่อเมื่อเอาเอาวัวนั้นไปฆ่าถ้าเลี้ยงแล้วไม่ได้ไปฆ่าเขา น, นี้ก็ไม่บาปบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาป การทับความดีก็เป็นบุญแต่า ก, การไปทำร้ายเขาก็เป็นบาปแต่ถ้าเราเลี้ยงเขาเราไม่ไปฆ่าเขาก็ไม่บาปเป็นบุญเป็นบุญเป็นกุศลหีืก็ปล่อยให้เขาอดอยากขาดแคลนไม่มีแล้วแต่คำถามโอเคถ้าไม่มีก้าท่านนี้ก่อนนะขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติ